บทที่ห้ามารไม่มีบารมีไม่เกิดพระบัวเหยวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งเที่รู้ว่าท่านสัพยอกแต่ใจก็แสนจะบปลืม้มอย่างน้อยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะได้เห็นหนอเช่นคนอื่นๆบ้าง ก็คุณนายลำไยอ่านหนังสือไม่ออกแท้ๆยังได้นี่นาท่านมีภาษีกว่าคุณนายคนนั้นตั้งแยะแถมยังเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอีกด้วยกําลังคิดเพลินๆท่านพระครูก็เอ่ยขึ้นว่าอ้าวละต่อไปนี้อาตมาจะสอนเดินจงกรมระยะที่สองซึ่งเป็นระยะที่ยากที่สุดในบรรดา ก, การเดินหกระยะ นายบัวเหียวลงบอกมาซิว่าเดินจงกรมระยะที่สองมีกี่หนอสองหนอครับระยะที่สามก็สามหนอลูกศิษย์ตอบเกินคำถามถูกแล้วระยะที่สองให้บริกา ร, รว่ายกหนอเหยียบหนอขณะที่ปากว่ายกก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นช้า สูงจากพื้นประมาณสามนิ้วยกเสร็จจึงว่าหนอแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเท้าไปข้างหน้าช้าๆที่ว่ายากมันยากตรงนี้เลื่อนเท้าเสร็จแล้วจึงว่าเหยียบพร้อมกับเหยียบลงไปช้าๆเมื่อเท้าถึงพื้นเรียบร้อยแล้วจึงว่าหนอจากนั้นจึงย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายทำแบบเดียวกัน เมื่อเดินจนสุดทางแล้วให้กำหนดกลับท่านเดินให้ดูอีกสามสี่เก้าและจึงบอกคนทั้งสี่มีพระหนึ่งครหัดสามให้ทดลองเดินคนเป็นครูเดินได้อย่างไม่ยากนักแต่คนเป็นพระถึงกับเงือตกคิดจะค้านพระอุปชาว่าก็ไหนหลวงพ่อว่าให้เดินวันละหนึ่งระยะยังไงละ่ะ และทำไมสามคนนี้ถึงเดินวลสองระยะได้ก็เลยโลกล้มความตั้งใจกระ น, นั้นเสียงพระอุปชาก็ยังลอยมาเข้าหูว่าสามคนนี้เดินระยะที่หนึ่งหชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพักก็เลยได้มาเดินระยะที่สองได้เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเดินได้ถูกต้องดีแล้วท่านพระครูจึงสั่งว่าเอาละ กลับไปเดินระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองอย่างละครึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงพยายามใช้เวลาเดินกับนั่งให้เท่าๆกันใครปฏิบัติครบสองชั่วโมงแล้วยังไม่ง่วงก็ให้ทำใหม่อีกเป็นรอบหนึ่งจนกว่าจะง่วงเมื่อล้มตัวลงนอนให้เอามือวางบนท้อง พยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบแล้วอย่าลืมตีสีต้องลุกขึ้นมาเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้แปดโมงเช้าค่อยมาสอบอารมณ์แต่ถ้าใครมีปัญหาก็มาที่กุฏิอัตมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจถาหลับอยู่ก็ให้เด็กปลุกได้ท่านพระครูพูดเปิดทางเอาไว้ เพราะเห็นหนอบอกว่าคืนนี้พระใหม่จะเจอปัญหาแยกกันไปอย่างที่พักของตนแล้วครูสามคนก็ลงมือปฏิบัติตามที่ท่านเจ้าอาวาสสอนคือเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครูบุญมี กับครูอรุณจึงสวดมนต์ไหว้พระปูเสือกลางมุง้งแล้วก็นอนส่วนครูสริทธ์คิดว่าจะต้องตักตวงความรู้กลับไปบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงปฏิบัติต่ออีกหนึ่งรอบดังนั้นขณะที่ครูน้อยสองคนกำลังหลับอย่างมีความสุขอยู่นั้นคนเป็นครูใหญ่กำลังยกนอเยยบนอ อย่างมีความสุขไม่แพ้กันสวดมนต์ทาวัดเย็นเสร็จพระโบเฮียวตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงและจึงเดินจงกรมระยะที่หนึ่งเดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเปลี่ยนเป็นระยะที่สองซึ่งท่านไม่ถนัดนัก หากก็เดินจนกระทั่งเสียงกริงนาฬิกาดังขึ้นท่านเดินไปกดปุ่มตั้งใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกำหนดนั่งสมาธิอาการพองยุบคล่องตัวขึ้นไม่อึดอัดขัดข้องเหมือนเมื่อตอนเช้าท่านนั่งไปเรื่อยๆกระทั่งสีห้านาทีผ่านพ้นไปจึงรู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างแรกร่ก็พอทนได้ ท่านจึงกำหนดรู้หนาครลั้นปวดมากเข้าจึงเปลี่ยนเป็นปวดหนาแล้วก็ไม่ใส่ใจกลับไปจับพองยุบต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงท่านั่งเมื่อจิตรเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการปวดดูเหมือนจะทุเลาลงท่านรู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นกำหนดสุขหนาได้จึงเสียดายนักเมื่อกลิ่งนาฬิกาดังขึ้น พระใหม่กำหนดลืมตาเอื้อมมือกดปุ่มนาฬิกาและลุกขึ้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งใหม่คราวนี้ท่านไม่ตั้งเวลาจะเดินจะนั่งจนเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องให้เวลามาเป็นตัวกำหนดท่านเดินขวาย่างนอซ้ายย่างนออยู่พักใหญ่ๆจึงเปลี่ยนมาเป็นยกหนอเหยียบหนอระยะที่สองเดินยาก ท่านก็เลยเดินน้อยหน่อยเสร็จแล้วจึงกําหนดนั่งอยากได้อารมณ์เหมือนเมื่อตะกี้เพราะมันสุขสบายดีแท้ภิกษุหนุ่มรู้ตัวดอกว่ากําลังถูกมาหลอกล่อให้หลงทางเสียแล้วท่านนั่งกําหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆรู้สึกชุ่มชื่นฉ่ำในหัวใจอาการปวดเมื่อยไม่ปรากฏท่านสบายเชจนไม่ยอมกําหนดสุขหนอ เพราะกลัวมันจะหายไปพระโบเฮียวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลืมแม้องค์บริกรรมเมื่อไม่กำหนดพองยุคสติก็เผลอพลายจิตจึงฟุ้งซ่าน ล, ล่องลอยไปในภาวะนั้นท่านเห็นตัวเองลอยอยู่กลางนภาอากาศมีรัศมีสวยงามแผ่ซ่านออกมาจากกายเสียงไพเราะ ก, กระซิบข้างหูว่าท่านสาเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้ว ไปสีท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งหนถ้าอย่างนั้นฉันอยากไปนรกช่วยพาไปหน่อยท่านพูดโต้ตอบกับเสียงไพเราะนั้นไม่ต้องพาท่านไปเองได้เพียงแค่นึกก็ถึงแล้วจริงเหรอเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะนึกอยากไปเมืองนรกแล้วท่านก็รู้สึกว่าตัวเองล่องลอยไปถึงเมืองนรกเห็นโย ม, มาบาลกาลังตักน้าที่กาลังเดือดอยู่ในกระทะ ทองแดงกรอกปากบิดาท่านจึงพูดกับโยมบาลว่าท่านโยมบาลอาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้ช่วยโยมบิดาอาตมาขึ้นจากนรกด้วยเถิดคนที่ท่านกําลังเอาน้ําร้อนกรอกปากอยู่นั่นแหละคือโยมบิดาของอาตมาหลวงพี่ที่เคารพนับภาษาอะไรที่จะช่วยโยมบิดาของหลวงพี่ได้เล่าแม้แต่แม่ยายผม ผมยังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆภรรยาเขาขอร้องมาบอกให้ช่วยแม่ด้วยนะพี่นะนึกว่าสงสารแกแม่ยายท่านทําบาปอะไรมาละ่ะแกฆ่าสัตว์พวกหมูเป็ดไก่หานพ่ามาไหว้เจ้าตอนตรุษจีนนะ่ะใจคอแกโหดเยี่ยมทารุนดุร้ายก็ท่านย ม, มาบาลทำไมไม่ช่วยให้ได้ละ่ะโทษหลวงพี่ ไอผมก็อยากจะช่วยแต่โจ์มันมาประท้วงกันเต็มไปหมดทั้งหมูเป็ดไก่หานดูสิมันยืนประท้วงอยู่นั่นส่งเสียงร้องระงมเลยพระบัวเหวี่ยวมองออกไปก็เห็นจริงดังที่ย ม, มาบาลว่าเหล่าสัตว์นั้นส่งเสียงร้องเซ็งแซ่จับความไม่ได้ไม่ได้นะโย ม, มาบาลช่วยไม่ได้ ยายคนนี้ทำให้พวกฉันทุกทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ายมบาลช่วยมันพวกฉันจะไปฟ้องพญายมมาราเธอรงโทษท่านโจดขู่เห็นไหมหลวงพี่เห็นหรือยังว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆถ้าผมช่วยโยมบิดาหลวงพี่เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไล่ขิดผมตายเท่านั้นก็โยมบิดาหลวงพี่ฆ่าวัวฆ่าควายไว้เป็นร้อยเป็นพันตัว ถ้าไม่เชื่อผมจะไปเปิดบัญชีให้ดูก็ได้ไม่ต้องหอกท่านโย ม, มาบาลอาตมาเชื่อท่านพูดกับโย ม, มาบาลแล้วก็หันไปพูดกับโยมบิดาว่าโยมพ่ออาตมาพยายามช่วยแล้วแต่โย ม, มาบาลเขาไม่ยอมโยมพ่ออดทนไปก่อนนะอาตมากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงแล้วจะแผ่ส่วนกุศลมาให้อาตมาขอลาจะไปดูสวรรค์สักหน่อย แล้วท่านก็ล่องลอยออกจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค์เพื่อเยี่ยมเยียนเสียเยี่ยมเยียนสวรรค์เสียทุกชั้นตั้งแต่จัตุมหาราชกาดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานอรดีปารณิมิตวสวัตดีได้เห็นเทพบระบุทเทพธิดาเหาะไปมาอยู่ในอากาศรูปร่างสวยงามมีเครื่องประดับทำด้วยเพชรนิมจินดา ส่องแสงเป็นประกายวูบวาบเมื่อเห็นท่านลอยผ่านหน้าเท พ, พบุตรเทพธิดาเหล่านั้นตากยกมือทำความเคารพท่านทักทายปราศาทอยู่กับพวกเขาจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงลอยกลับมายังกุฏิเห็นกายเนื้อของท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าร่างล่องลอยอยู่นี้เป็นกายทิพย์จึงลอยไปเข้ากายเนื้อและจึงกำหนดลืมตา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสดสดร้อนร้อนนี้ทำให้ท่านเข้าใจผิดคิดไปว่าตัวเองสำเร็จแล้วจึงอยากจะไปกราบเรียนให้ท่านพระครูทราบขณะนั้นเป็นเวลาตีสองคงจะรอให้ถึงรุ่งเช้าไม่ไหวเพราะใจมันร้อนรนอยากให้พระอุปชาได้รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านสำเร็จแล้วเห็นหนอแล้ว พลันก็นึกถึงท่านพูดอนุ ญ, ญาตไว้เมื่อตอนสามทุ่มเสร็ศๆแสดงว่าท่านจะต้องรู้สิทธิของท่านจะมาหาในคืนนี้คิดได้ดังนั้นจึงเดินดุ่มๆไปยังกุฏิเจ้าอาวาสโดยไม่สะทกสะทานต่อความหนาวเย็นของอากาศสุนัขสามสี่ตัวเห็นคนเดินดุ่มๆ ม, มาในยามวิกาลเช่นนั้นก็ส่งเสียงเ่ากันโชคขึ้นและพากันวิ่งกรูเข้ามา พระบุญเยวจึงต้องส่งเสียงทักทายออกไปสุนักกล่าวนั้นพร้อมใจกันหยุดเหา่าและก็วิ่งกลับไปยังที่ที่ของตอนนอนสมชายสมชายไปเปิดประตูหน่อยท่านตะโกนเรียกลูกศิษย์วัดเด็กหนุ่มงัวงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูแล้วจึงถามอย่างไม่พอใจนะักหลวงพี่มาทำไมดึกดึกดื่นๆนผมกำลังหลับสบายสบายหลวงพ่อหลับหรือยังถามแทนคาตอบ สิทวัดมองขึ้นไปเห็นไฟยังสว่างอยู่จึงตอบว่ายังมัง้งไฟยังเปิดอยู่นี่ขอขึ้นไปพบท่านหน่อยดีไหมให้ผมไปถามท่านดู ก, ก่อนปกติไม่อนุ ญ, ญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนพูดแล้วก็ขึ้นไปหาท่านพระครูยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดขึ้นใช่ก่อนว่าพระบัวเหวียวใช่ไ้ยบอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวฉันจะลงไป และท่านก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปอีกสักครู่จากนั้นจึงลงมาข้างล่างมีอะไรหรือท่านทักขึ้นหลวงพ่อยังไม่จำวัดอีกหรือครับพระใหม่ถามยังหมู่น้งานยุ่งมากจะลืมนอนมาหลายวันแล้วหลวงพ่อไม่ง่วงหรือครับ ฉันกำหนดสติอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแก้ง่วงได้จำไว้เวลาเธอ่วงมากให้ตั้งสติไว้ตรงหน้าปากแล้วกำหนด่วงหนอง่วงเนาะรับรองว่าหายง่วงเป็นปลิดทิ้งพระบุเฮียวกกำลังจะเอ่ยปากพูดก็พอดีท่านพระครูพูดขึ้นว่านี่เธอรู้ไหมฉันกำลังเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานเขียนมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้ว เผื่อว่าฉันตายไปจะได้มีตำราวไว้สอบอารมณ์ในการปฏิบัติหนังสือแบบนี้ยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนจวนเสร็จหรือยังครับยังคงอีกหลายปีมีฉันเขียนมาปีกว่าแล้วเพิ่งได้ร้อยกว่าหน้าเองมันไม่ใช่เขียนง่ายๆเอาละทีนี้เธอมีอะไรก็ว่าไปเสร็จธุระแล้วจะได้กลับไปเขียนหนังสือต่อ ท่านต้องพูดกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ผู้เป็นศิษย์รู้ว่าท่านมีงานที่จะต้องทำรออยู่หลวงพ่อครับผมได้เห็นหนอแล้วครับบอกอย่างปีติเออเร็วถึงขนาดนั้นเชียวหรือแล้วรู้ได้อย่างไรละ่ะหรือว่ามีใครมาบอกครับมีเสียงมากระซิบข้างหูกระซิบว่าอย่างไงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วครับออ ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มพระบูยเยเลและทำหน้าปัญยากท่านพระครูยิ้มแบบนี้ทียไรเป็นได้เรื่องทุกทีแล้วเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่ได้ยินเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆครับเสียงเมื่อคืนไพเราะน่าฟังมากและเขาว่ายังไงอีกพระอุปชาซักเขาบอกให้ผมท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกคนทุกแห่ง เพียงแต่นึกเท่านั้นก็ไปได้ผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกสวรรค์ที่เมืองนรกผมพบโยมพ่อด้วยผมขอร้องโย ม, มาบาลให้ช่วยพ่อแต่ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่แม่ยายท่านเองท่านก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนฉันเปียบเลยฉันก็เคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วก็เจออย่างที่เธอเล่ามานี่แหละ พระโบยเฮียวยิ้มแป้นเมื่อท่านพระครูบอกว่าท่านได้เคยเห็นนรกมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นผมก็สำเร็จแล้วจริงๆใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นใครบอกเธอลาโบยเฮี ย, ยวเธอถูกมารมันหลอกเอานะสิถูกมารหลอกเหมือนกับที่ฉันเคยถูกหลอกมาแล้วคราวนี้พระโบยเฮียวถึงกับใจฝ่อแฟบลงไปถามเสียงอ่อยว่าหมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่าผมเห็นไม่จริงใช่ไหมครับ จริงสิเธอเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เธอเห็นมันไม่จริงเข้าใจหรือยังละ่ะยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับผมชักงงผลซื่อตอบซื่อคือที่เธอเห็นนรกสวรรค์หน้าเธอเห็นจริงๆเหมือนกับตอนที่ฉันเห็นจริงๆแต่นรกสวรรค์ที่เธอเห็นหรือที่ฉันเห็นนั้นมันไม่จริงเรียกว่าเราสองคนต่างไปเจอ ไปเห็นของไม่จริงมาว่างั้นเถอะที่ว่าไม่จริงเพราะมันเป็นภาพลวงตาจิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าเทวปุตตมานฉันจึงว่าเธอถูกหลอกเอาเอาละถ้าอย่างนั้นแสดงว่านรกสวรรค์ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับมีสิเป็นชาวพุทธจะว่านรกไม่มีได้ยังไงอีกหน่อยถ้ามีเวลาอ่านพระไตรปิฎกซะ จะได้หายสงสยัยนั่นอยู่ในตู้นั่นท่านชี้ไปที่ตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีหนังสือเล่มสีน้ําเงินบรรจุอยู่เต็มหลวงพ่อครับในเมื่อนอรกมีจริงแล้วทาไมสิ่งที่ผมกับหลวงพ่อเห็นจึงไม่จริงล่ะครับพระใหม่ยังไม่หายสงสยัยแทนคําตอบท่านพระโกรุ ก, กับย้อนถามว่าเธอไม่แปลกใจบ้างหรือบวยเยวว่าเธอมาปฏิบัติ แค่สองวันสามารถเห็นนรกสวรรค์ที่คนอื่นเขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่เห็นมาแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนี่ครับคนซื่อเลี่ยงต่อไปอีกทางตอบอย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนี่จำไว้น้าบัวเฮียวอะไรก็ตามที่เธอเห็นตอนนั่งสมาธิ เธอสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ยังไงครับถามอย่างสนใจง่ายนิดเดียวเมื่อไรที่เธอเอียงบริกรรมก็แน่ใจได้เลยว่าเธอเห็นมันเป็นภาพลวงแต่ถ้าเธอเห็นทั้งๆ ท, งที่ยังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งนั้นมันจริงพูดง่ายๆก็คือต้องเห็นขนาดที่มีสติ ทีนี้เข้าใจหรื อ, อยังล่ะเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเทวปุตตมานมันเป็นอย่างไรครับอ๋อมานที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เราทําความดีอย่างการนั่งสมาธินี่ถือว่าเป็นความดีที่สุดเป็นความดีขั้นสูงสุดอย่าลืมทานศีลภาวนา สามอย่างนี้มีระดับไม่เท่ากันการให้ทานถือเป็นความดีขั้นธรรมดาการรักษาศีลเป็นความดีขั้นสูงกว่าทานการบาเพ็ญภาวนาเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถือเป็นความดีขั้นสูงสุดเมื่อไรที่เราทำความดีเมื่อ น, นั้นจะต้องผจนมารมารมีห้าประเภทด้วยกันคือขันธมารได้แก่ ความปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้เวลาเธอปวดขาแทบหลุดนั่นแหละเธอกำลังผจญกับขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสต่างๆเช่นนั่งแล้วอยากเห็นเลขก็เป็นโลภะนึกขัดเคืองเครียดแค้นคนอื่นก็เป็นโทสะหรือนั่งเพลินๆติดสุกก็เป็นโมหะเทวปุตตมารก็เช่นเห็นเทพบุตบุเทพ ธ, ธิดาเห็นสวรรค์นรก อย่างที่เธ อ, อเผชิญมาแล้วอภิสังขารมานได้แก่ความคิดปรุงแต่งอยากเห็นนู่นเห็นนี่อยากเห็นหนออยากสำเร็จเป็นพระอาหารหันส่วนอันความสุดท้ายคือมัจจุมาณอันเนี้ร้ายที่สุดเพราะถ้าตายแล้วโอกาสจะมานั่งพองหนอยุบน้องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเธอจึงจะต้องรู้เท่าทันสามารถขอให้จาไว้ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิด เพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะมานให้ได้พระบวทใหม่เดินกลับกุฏิอย่างเหงาหงอยแอบรำพึงในใจไม่น่าเลยถูกมาหลอกเข้าจนได้